ตอนที่ยีอ็ดใจแลกใจตอนที่หวังเกืย้ยหาเลิกงานกลับบ้านพอจะขึ้นจั ก, กรยานก็พบว่าล้อรถหนักอึ้งผิดปกติเมื่อก้มลงดูอย่างละเอียดปรากฏว่าล้อหลังแบนแตดแต่แตใครกันไอ้เด็กเปรตัวไหนมันทำหวังเกื้อหายืนด่ากราดอยู่กลางถนอนอยู่นานสองนานแต่ก็ไม่มีใครขานรับที่หน้าโมโหยิ่งกว่าคือตาแกสองคนที่รับไปยางรถซึ่งปกติจะอยู่ตามทางผ่านกลับบ้านวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรถึงได้พากันเลิกงานเร็วทั้งคู่ นั่นทําให้นางต้องเข็นจักรยานกลับบ้านเองกว่าจะถึงบ้านฟ้าก็มืดสนิทแล้วแม่ทําไมเพิ่งกลับมาละฉันหิวจนไสนจะกิ่วอยู่แล้วเนี่ยโจว้ยกลัวตะโกนบอกหิวในขณะที่กําลังทําการบ้านอยู่อย่าพูดถึงมันเลยยางรถโดนเจาะน่ะสิหวังเกวยฮารู้สึกว่าวันนี้ช่างซวยเหลือเกินเรื่องแผงลอยของซูมานอินก็จัดการไม่สําเร็จแถมรถของตัวเองยามายางแตกอีกช่างเป็นวันที่ดวงกุดจริงๆเดี๋ยวแม่รีดทาข้าวให้กินนะรอแป๊บหนึ่ง ในขณะที่กําลังพูดอยู่นั้นโจเตอสุนก็เดินถือกล่องข้าวกลับมาจากข้างนอกว่าคุณจะทํากับข้าวเสร็จพ่อลูกอย่างพวกเราคงหิวตายกันพอดีโจเตอสุนวางกล่องข้าวลงบนโต๊ะข้างไว้กัวนี่สลัเป่าอไส้ผักที่บ้านที่ใหญ่แกห่อไว้เอาไปกินรองท้องก่อนไปพอโจอไว้ยกัวได้ยินว่ามีของกินก็รีบวางปากกาทันทีแล้วพุ่งเข้าไปแย่งกล่องข้าวมาเหมือนหมาป่าหิวโหวยหวังเกี้ยวเห็นสีหน้าสามีไม่ค่อยดีจึงขยับเข้าไปถามนี่คุณวันนี้คุณก็ดวงซวยเหมือนกันเหรอ ยังจะพูดอีกวันนี้ผมเจอเหล่าช้มาเขาเทศนาผมยกใหญ่เลยละ่ะโจเตอสุนลากหวังเกว่าออกมาที่ห้องครัวด้านนอกแล้วลดเสียงต่ำถามว่าคุณไปหาเรื่องซูมานอินอีกแล้วใช่ไหมหาเรื่องอะไรกันพวกเขาทําโรจียอั่วขายน่านมันคือการเกงกำไรเอาเปรียบเป็นพวกทุนนิยมชัดชฉันแจ้งความน่าถูกแล้วพอได้แล้วคุณสมัยนี้เขาเรียกว่าเศรษฐกิจส่วนบุคคลได้ยินว่าที่อื่นเขาเริ่มทํากันไปตั้งนานแล้วโจเตอสุนถอนหายใจ คุณยังไปแจ้งว่าเขาเปิดร้านโดยไม่มีใบอนุญาตอีกทำให้เสี่ยวเฉาที่เพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งต้องเสียหน้าต่อหน้าเพื่อนร่วม ง, งานคุณนี่จริงๆเลยใครจะไปรู้หล่าว่าซูมานอินคนนี้จะมีเล่ห์เหลี่ยมเยอะขนาดนั้นหวังเกวีฮยยังคงไม่ยอมแพ้คุณได้เห็นหรือแค่ช่วงเที่ยงแป๊บเดียวกล่องใส่เงินของนางก็เต็มจนล้นแล้วในเมื่อมีโอกาสหาเงินดีๆแบบนี้ทาไมนางถึงไม่ชวนพวกเราบ้างละ่ะจะชวนยังไง คุณก็ทํางานอยู่ที่โรงงานเครื่องจักรส่วนผมเป็นผู้ชายอกสามซอกจะให้ไปช่วยขายมันเหมาะสมไหมละ่ะโจเตอสุ่นถลึงตาใส่หวังเกว่าฮาแต่นางยังคงฮึดฮัดไม่พอใจเว้กลัวปิดเทมอมฤดูร้อนอยู่พอดีเขาไปช่วยได้นี่นาหวังเกว้ยฮาหันไปมองลูกชายแต่กลับพบว่าลูกชายกําลังกอดกล่องข้าวเปล่าพลางเสืกเอิกเอ๊กเอกเ อ, กออกมาไอ้ลูกคนนี้กินหมดเลยเหรอโจเตอสุ่นอุทานอย่างตกใจทําไมไม่เหลือไว้ให้แม่แก่บ้างละ่ะก็ฉันหิวนี่นา โจ้วยกัวตอบอย่างน้อยใจถ้าลูกจะกินก็ปล่อยให้กินไปสีเด็กกำลังโตก็กินจุเป็นธรรมดาจะไปดูแกทำไมหวังเกวียวารีปริ น, น้ำร้อนให้ลูกชายโจ้วยกัวรับน้ำไปแล้วดื่มอึ ก, อกลงไปชาหน่อยหน่อยเดี๋ยวก็สำลักกรอกตามใจกันเข้าไปเถอะโจเตอสุนดุเบาๆหนึ่งที่ก่อนจะหมุนตัวเดินออกไปนอกบ้านคุณจะไปไหนนะจะไปทาอะไรได้หลกักก็ไปไปยางรถให้คุณนะสิ ตกกลางคืนฉินเสี่ยวเยเว่พลิกเงินไปมาเพื่อนับดูซ้ำแล้วซ้ำแล้วแม้แต่เศษเหรียญเล็กๆก็นับจนครบผลปรากฏว่าได้เงินไม่ถึงยี่สิบหยวนไม่จริงหน้าพวกเราเหนื่อยกันมาทั้งวันได้เงินแค่นี้เองเหรอซูม่านอินที่กำลังล้างมันฝรั่งอยู่เห็นเพื่อนรักบนออกมาก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มขำไม่น้อยแล้วนะคุณหนูรู้ไหมว่าเงินยี่สหยวนในยุคนี้เทียบเท่ากับเงินเท่าไหรในยุคปัจจุบนันชินเสี่ยวย่าทำหน้าเหมือนเด็กอยากรู้อยากเห็นเท่าไหรสิบเท่าเหรอ เสี่ยวเย่เว่แกลืมไปแล้วหรือว่าเงินเดือนสามีชั้นเท่าไหร่จำได้สี่เดือนละสีพอผู้จบหินเสี่ยวยาวก็อุทานออกมาด้วยความตกใจหมายความว่าแค่ช่วงเที่ยงวันเดียวพวกเราหาเงินได้เท่ากับครึ่งเดือนของเงินเดือนสามีแกเลยเหรอซูมานอินพยักหน้าตอนนี้ข้าวสารราคาแค่ประมาณหนึ่งเหมาสองเฟินเงิน20่สิบหยวนนี่ซื้อข้าวสารได้ตั้งร้อยหกสจินเลยนะซูมานอินเทมันฝรั่งที่ล้างเสร็จแล้วลงในกระมังใบใหญ่ข้างๆหยิบผ้ามาเช็ดมือแล้วเดินมานั่งลงบนขอบเตียงข้างๆข้างฉ วันนี้ไม่ได้ซื้อเนื้อพรุ่งนี้พวกเราทำแค่ไส้มันฝรั่งผัดกากหมูกันเถอะชินเสี่ยวเยเว่พยักหน้าเห็นด้วยแตงก็เหลือไม่มากแล้วเฮอยุคสมัยนี้จะซื้อของแต่ละอย่างช่างยากลำบากจริงๆเสี่ยวเยเว่เราต้องยกระดับความเข้าใจกันหน่อยนี่เป็นวิธีที่เลี่ยมไม่ได้ในยุคสมัยนี้แต่ไม่นานหรอกเรื่องพวกนี้จะเปลี่ยนไปพวกเรานะ้าอดทนอีกนิดนะปลื้มจิตสำนึกของคุณแม่เล็กสูงส่งจริงๆเลยนะคะฮิฮิ ฉันจิตสํานึกสูงใช่ไหมละงั้นเราตกลงกันก่อนนะเงิน20่สิบหยวนนี่เธอต้องแบ่งสิบหยวนให้พวกวัยหมินสองสามีภรรยาด้วยคุณแม่เพิ่งให้พวกเขาไปตั้งสองร้อไม่ใช่เหรอคะนั่นมันเงินก้อนโตเลยนะชินเสี่ยวเย่เว่คิดแล้วก็รู้สึกเสียดายจนปวดใจเรื่องหนึ่งก็ส่วนเรื่องหนึ่งเงินสอง้อนั่นคือผู้ใหญ่หงใหญ่พวกเขาแต่สิบหยวนนี่คือค่าแรงของเขาซูมานอินกล่าวอย่างจรงิงจังถ้าเกิดจูหลิงเลิกทําขึ้นมาเธอจะทําเล่าหมูเองหรือไงให้ค่าให้เดี๋ยวนี้เลย ชินเสี่ยวเยเวรย่รีบสวมรองเท้าและวิ่งออกไปทันทีนี่ไปคนเดียวไม่กลัวแล้วเหรอไม่เป็นไรแค่ฉันขี่จักรยานไปคนเลวตามฉันไม่ทันหรอกซุนจิวหลิงกำลังทำมื้อเย็นอยู่ในบ้านก็ได้ยินต้าฮวาและเสี่ยวสวีตะโกนบอกว่าไอหญิงเล็กมาหาแล้วเสี่ยวเยเว่ยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมมาทานด้วยกันสิไม่ดีกว่าค้าพี่สไยรองฉันเอาค่าแรงมาให้พี่คะ่ะพูจบชินเสียวย่วก็หยิบปึกธนบัตรย่อยออกมาแล้วยัดใส่มือซุนจิวหลิง วันนี้ขายได้ทั้งหมด20สิบหยวนนี่คือส่วนของที่สิบหยวนที่เก็บไว้ให้ดีนะไม่ได้หอกแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดซุนจิวหลิงไม่เคยคิดเลยว่าแค่ตัวเองช่วยทำของกินนิดหน่อยจะได้รับเงินด้วยที่สะพ้ยรองแม่บอกว่าเงินนี้พี่ต้องรับไว้ไม่อย่างนั้นแม่จะไม่ยอมให้พี่ร่วมหาเงินด้วยอีกซุนจิวหลิงยังคิดจะปฏิเสธแต่ฉินเสี่ยวเยากลับกระโดดขึ้นจากกระยาแล้วปันน่นหนีไปทันที ตอนกลางคืนโจเวยหมิงแบกเตาที่มีใบรับรองคุณภาพติดอยู่กลับมาเห็นภรรยาตัวเองน้ําตาคลอบบาก็นึกว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นพอดทนถามจนรู้ความจริงถึงได้รู้ว่านางเรา้าซิ้นใจจนร้องไห้เวยหมิงที่ว่าแม่กับเสี่ยวเยเว่ที่เป็นแม่ไม่สองคนใช้ชีวิตลําบากขนาดนั้นแต่ยังคอยจุนเจือพวกเราทุกเรื่องเมื่อก่อนพวกเราอกตันยูเกินไปหรือเปล่าเมื่อนึกถึงตอนที่โจเวยหมิงขัดขวางการแต่งงานของพ่อกับแม่เลี้ยงทั้งสองคนต่างก็รู้สึกผิดในใจ ซุนจิวหลิงมองดูเตาบนพื้นที่มีใบรับรองคุณภาพของโรงงานฮาร์ดแวร์ติดอยู่ด้วยความประหลาดใจเว่ยหมิงเตาเครื่องนี้เปลี่ยนได้จริงๆเหรอโจวเว่ยหมิงพยักหน้าไม่ใช่แค่เปลี่ยนได้นะอาจารย์ช่างคนนั้นเห็นว่าฝีมือผมดีเลยถามว่าอยากจะรับงานข้างนอกไหมรับงานเหรอก็คืองานที่โรงงานทําไม่ทันนั่นเป็นงานปลีกย่อยของพวกชาวบ้านโจวเว่ยหมินอธิบายโรงงานจะจัดหาวัตถุดิบกับอุปกรณ์ให้ผมทําที่บ้านได้เลยเสร็จแล้วค่อยส่งขึ้นโร ง, งงานกินค่าแรงเอา แล้วได้เท่าไหรล่ะเต้าหนึ่งเครื่องได้ค่าแรงหนึ่งหยวนมั้งซุนจิวหลิงเบิกตากว้างด้วยความตกตะลึงตั้งเยอะขนาดนั้นเลยนางพันนึกอะไรขึ้นมาได้เวยหมิ่นหรือว่านี่จะเป็นเรื่องดีที่คุณแม่เล็กพูดถึงโจเวยหมินรู้สึกเสียวสารหลังว่าขึ้นมาทันทีทุกเรื่องที่คุณแม่เล็กพูดออกมาล้วนเกิดขึ้นจริงทั้งหมดหรือว่าคุณแม่เล็กจะอย่างรู้ฟ้าดินได้จริงๆในขณะที่คุณแม่เล็กผู้อย่างรู้ฟ้าดิน อย่างซูมานอินกําลังจ้องมองน้ําแกงผักในหม้อด้วยความกัดกลุ้มตอนที่ขายโรเจียมหมัวนางพบว่าคนงานหลายคนกินแล้วรู้สึกฝืดคอนางจึงเตรียมจะทําน้ําแกงผักมาขายคู่กันแต่ผลปรากฏว่าไม่ว่าจะทําอย่างไรสิ่งที่ได้ออกมาก็ดูเหมือนน้าล้างหม้อไม่มีผิดดูเหมือนว่านางจะไม่มีพรสวรรค์ด้านการทําอาหารจริงๆสินะ